อันนี้อากาศสดชื่นดีนะอากาศดีเย็นสบายที่พักก็กดีทําการต้นไม้นะแล้วก็ทะเลทรายก็เป็นความสุขนะเป็นความสุขอย่างหนึ่งเป็นความสุขที่ที่เราก็สามารถสัมผัสได้นะ่ะในในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันสปายะหรือว่าเป็นสิ่งที่เอื้ออานวยนะ ความสุขนะคนส่วนใหญ่ก็ต้องการความสุขกันทั้งนั้นคนระัพระพิจาท่าแ ย, แยกแยกความสุขเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งคือความสุขที่เรียกว่าเป็นอามิตรสุขก็คือความสุขที่อิงอามิตรคือเอิงกับวัตถุสิ่งของต่างๆนะทางตาทางหูทางจมูกทางทีนทางกายทางใจก็คือความสุขที่เกิดจากการได้ได้สัมผัสกับหรือว่าการได้มีนะหรือว่าการได้ ไปใช้นะหรือว่าการได้มีประสบการณ์ใหม่ๆกับชีวิตนะอันนั้นก็เป็นความสุขที่เกิดจากการได้ได้เห็นสิ่งสวยงามได้กินสิ่งที่อร่อยได้สัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลอ่อนโยนหรือว่าได้อ่าอยู่ในอากาศที่สบายอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเป็นความสุขที่เรียกว่าเป็นอามิ ส, สุขนะก็เป็นความสุขที่พระพุทธจาท่าก็ไม่ปฏิเสธเรื่องอามิ ส, สุขนะ ท่านก็บอกว่าความสุขพวกนี้ก็เราก็สามารถพึงมีได้พึงมีได้นะมีบางคนในสมัยพุทธกาลคดีหรือว่าอาจจะไปในปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีก็ได้มีเศรษฐีบางคนที่มีเงินมีทองอพอสมควรแต่ก็เป็นคนที่ตระนี่นะไม่รู้จกักกินไม่รู้จักใช้นะมีเงินมากแต่กินข้าวแบบ ที่เรียกว่าคุณภาพไม่ดีเป็นข้าวปลายข้าวแบบนี้ก็มีไม่รู้จักเอาขนมมากินไม่รู้จักใช้สอยหรือว่าแล้วก็ไม่รู้จักบริจาคด้วยเป็นคนที่ตนีดังนั้นผู้จ้างเขาก็ไม่สรรเสริญนะมีซัพย์ก็รู้จักการบริโภคซับอย่างเรียกว่าอย่างถูกต้องอันนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่ควรนะแต่ก็อย่างที่เรียกว่าความสุขที่เรียกอามิสสุขนะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะรู้จักความสุขตรงนี้เนี่ย รูจัความสุขตัวนี้กันพอสมควรดีแต่ความสุขตัวนี้ก็เป็นความสุขที่เรียกว่าต้องระวังที่จะไม่ไปติดกับมันเพราะว่าความสุขที่เรียกว่าอมิสสุขมันก็เป็นความสุขที่มันต้องมีสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นต้องมีเหตุปัจจัยต่างๆเอื้อเฟื้อมากมายต้องมีเงินต้องมีทองต้องมีอะไรต่างๆเยอะแยะมาถึงจะเกิดความสุขได้นะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรารู้เท่าทัน เราก็เพียงแค่ว่ามันมีโอกาสเราก็ใช้มันหรือว่าบริโภคมันอย่างรู้เท่าทันอันนั้นก็เราก็ พ, พระพุทองค์ก็ไม่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ปฏิเสธนะนะก็เป็นสิ่งที่พรกองค์ท่านก็ให้สามารถสัมผัสได้นะให้บริโภคได้นะแต่ต้องบริโภคอย่างรู้เท่าทันไม่ไปลงไม่ไปติดกับมันอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าอันวิ ส, สุขนะมีความสุขอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า เป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอา mith นะเรียกว่านิรามิรสุขนะเป็นความสุขที่เกิดจากการที่มีความสงบก็ดีนะเป็นความสุขที่เกิดจากการที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเราทางต่างหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีนะมันก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวของเขาเองนะเป็นความสุขที่เรียกว่าเขาถึงความสงบนะเข้าถึงปิติหรือว่าเขา้เขาถึงนะมรรคผลนิพพานอันนี้ เป็นความสุขที่เรียกว่าไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นความสุขภายในนะจะเรียกว่าเป็นความสุขภายในกับความสุขภายนอกก็ได้นะความสุขภายในคือความสุขใจอย่างแท้จริงจะอยู่ที่ไหนก็ได้ก็สามารถมีความสุขใจนะไม่ต้องมีอะไรมาแตกใหม่หรือว่ามากระตุ้นเราก็สามารถมีความสุขได้นะหรือว่าแม้มีสิ่งกระทบในทางที่ไม่ดี เกิดขึ้นนะมีสิ่งกระตุ้นแล้วนะทางภายนอกนะจะบวกก็ตามจะลบก็ตามมันก็สามารถสุขแล้วก็สงบได้ภายในใจเนะี่ยอันนี้เรียกว่าอารมิ ส, สุขนะถ้าเราเข้าใจนิรามิ ส, สุขนะถ้าเราเข้าใจเรื่องความสุขมันมีสองประเภทแล้วนะเราก็จะสามารถเรียกว่าหาความสุขได้ในทุกในทุกอย่างในทุกที่นะในในทุกเวลาเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ เราก็สามารถถ้าภายนอกมันมีความสุขเราก็สามารถสัมผัสกับความสุขนั้นเหมือนอากาศตอนนี้มันสดชื่นมันเย็นสบายบรรยากาศมันดีนะเราก็สามารถสัมผัสนะหรือ ว, ว่าดื่มด่ำกับความสุขตรงนี้ได้ด้วยความสุขใจด้วยความเต็มใจด้วยความชื่นใจนะแต่ก็เป็นความสุขที่เรียกว่าก็ต้องอาศัยสติแล้วก็ปัญญาในการมาตักเตือนหรือว่าทักท้วงไม่ให้ หลงไปติดนะกับรูปก็กิ่งเสียงภายนอกตรง น, นั้นด้วยอันนี้เป็นความสุขที่นะเราก็สามารถสัมผัสแต่ก็ต้องสัมผัสอย่างมีสติแล้วก็ปัญญาแต่ความสุขอีกอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องแสวงหาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราให้ได้บ่อยหรือว่าอยู่เสมอหรือว่าเป็นประจำนะก็คือที่เรียกว่านิรา ม, มิสุขคือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งปัจจัยภายนอก อันนี้เป็นความสุขภายในซึ่งเราสามารถมีความสุขใจได้ในทุกที่ทุกสถานทุกการเวลาตัว น, นี้แหละคือความสุขที่มนุษย์ทุกคนหรือว่าทุกสรรพศศสัตว์ควรแสวงหานะถ้าเราสามารถสแสวงหานิรามิสุขได้นะเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถมีความสุขใจได้นะเพราะเป็นความสุขที่เกิดจากความไม่ทุกนะหรือว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการมีปัญญาเห็นความจริงของชีวิตว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะแม้จะเป็นรูปกสิ่งเสียงภายนอกนะที่เราสามารถสัมผัสได้ในตอนนี้แต่เราก็ไม่สามารถเอามันมาเป็นตัวเป็น ต, น, ตนของเราได้นะแม้แต่ร่างกายของเราเองเราก็ไม่สามารถยึดถือยึดครองหรือว่ า, บ, าบังคับให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการให้มันดีตลอดให้มันสวยตลอด ให้มันงานตลอดให้มันแข็งแรงตลอดก็เ <c> ป <oughs> ็นไปไม่ได้นะเราไม่สามารถกําหนดเหตุปัจจัยภายนอกให้เป็นอย่างที่มันจะดีตลอดหรือทําให้เกิดความสุขกายถูกใจตลอดเราไม่สามารถกระทําเช่นนั้นได้นะถ้าเรามีปัญญาในะการเห็นความจริงของตรงนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับภายนอกรอบข้างก็ดี จะบวกก็ตามจะลบก็ตามนะจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามนะจะดีหรือไม่ดีก็ตามเราจะมีปัญญาเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งนั้นเราไม่สามารถยึดได้นะเราจะอาจสามารถสัมผัสกับความสุขตรงนี้ได้นะแต่ก็ไม่ติดสุขคือคือเรียกว่าสามารถมีความสุขแต่ไม่ติดสุขอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากการมีปัญญานะ แล้วขณะที่แม้ไม่ได้สัมผัสกับความสุขภายนอกนะเราก็สามารถพบความสุขภายใ น, ย ใ, นใจของเราตอนนี้ก็ได้เนะี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากการที่มีปัญญานะมันเหมือนกับมีมีความชุ่มชื้นมีความชุ่มชําภายในจิตใจนะเหมือนอย่างที่เราได้เห็นนะเหมือนคล้ายๆเป็นโอเอซิสกลางทะเลทรายเนาะ มันเป็นความเรียกว่าความชุ่มฉ่าเป็นความชื่มชื้นภายในภายในความแห้งแรงที่แวดล้อมภายนอกนะเหมือนกนารทะเลทรายมันก็ยังมีต้นไม้มก็ยังมีน้ําที่ชุ่มฉ่าหรือว่าต้นไม้ที่เขียวขจีอยู่นะภายในใจของเราก็เหมือนกันนะแม้มันจะมีความเป็นทุกข์ของสังขารนะแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแม้จะมีความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ ในทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสังขารหรือแม้เป็นอสังขารก็ดีก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นะแต่มันก็ยังสามารถคนพบความสุขได้ไปในใจนะเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบไปในจิตใจแต่นี่แหละเป็นสิ่งที่ถ้าเราสามารถยังถึงสามารถเข้าถึงหรือว่าเราสามารถสัมผัสได้ บ, บ่อยบ่อนะเราจะเหมือนมีโอเอซิสการในการใจเราตลอดเวลานะจะอยู่ที่ไหนก็สามารถมีความสุขได้ จะอยู่ที่ไหนก็สามารถพบกับสันติความสงบใจภาในใจของเราได้นะความสุขคนนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะก็เกิดขึ้นจากการที่เราคอยมีสติอยู่เสมอนะรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในกายในใจอยู่เสมออันนี้แหละแล้วก็ทําให้เกิดความสงบภายในจิตใจเมื่อเรารู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกทิ้งกายใจแล้วถ้าใจเราเป็นกลางกับสภาวะนั้นนะ สภาวะนั้นก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่มันจะไม่กระเทือนถึงจิตใจนะมันก็เพียงแค่กระทบแล้วก็รู้ทันแล้วก็ตกไปหรือแม้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วเรารู้ทันหรือใจเป็นกลางสภาวะนั้นมันก็สลายไปมันก็ดับไปนะจะเป็นบวกก็ตามจะเป็นลบก็ตามมันก็ต้องสลายไปเป็นธรรมดาเพราะเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเพิ่ง ถ้าใจเราเป็นกลางนับทุกพภาวะแล้วอารมณ์ต่างๆมันก็หายไปนะมันก็หายไปเหมือนกับน้ําค้างที่โดนแสงแดดแผดเผาแบบนั้นแหละนะมันก็หายไปมันเปลี่ยนแค่อาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นนะมันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่เสมอเราจะสามารถพบความสงบได้เป็นในจิตใจนะมันเป็นความสงบที่เกิดจากการที่เรียกว่าไม่ปรุงแต่งนะ เป็นความสงบที่เกิดจากการที่รู้เท่าทันความจริงนะเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นปาปปากฤติการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเท่านั้นอันนี้แหละเป็นความเป็นสุขความสุขง่ายๆนะเป็นความสุขที่เกิดจากการที่มีปัญญารู้เท่าทันความจริงด้วยอันนี้เนาะก็อยากให้พวกเราได้สามารถเข้าถึงความสุขได้ทั้งสองรูปแบบนะที่เรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากปัจจัยภายนอก แล้วความสุขที่เกิดจากปัจจัยภายในใจของเราเองอันนี้แหละเป็นความสุขที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยการที่มีสติแล้วก็มีปัญญาในการรู้เท่าทันความจริงของชีวิต